<mister. S 2> แล้วแต่ความสามารถของพระเทระอือขอให้อันนี้เป็นพระเทระหนึ่งไอเอ๊จริงๆหน้าที่ของการสวดบูชเป็นหน้าที่ของมาเทระครับดูดีคุณธรรมท่านเป็นพระเทระแล้วนี่นะใช่หรัพเทระผู้สูงสุดที่นะพระพุทธชีวศูนอายุมากปล้วคมจำคนทํค้าเคยดีเอเขาเขาก็เลยบอกว่าภิกษุผู้เป็นเทระมอบให้ภิกษุแเกษมเป็นเทระมอบให้แจ้กดี ตอนนี้คุณพ่อเป็นเแล้วาแต่ว่าพรรษานี่เราก็มาเพิ่งเจอกันก็ผมยังบางท่านจากกระเบนนาเนี่ยท่านไก่เนาะมีทำเจอชื่อจีจำไม่ได้ชื่อท่านเนาะผมยังจำไม่ได้ชื่อลากระนั้นใช่ชื่อเพราะใช่ก็แต่ละคนก็ได้ท่องยุทธิจักรมาแลพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ได้ยป็นไงบางแต่ละคน มีอะไรผู้อยากจะให้เราให้ผมฟังของผมงววก็มเคยด้พวกท่านพวกท่านก็ไกม่พบผมเอาคนละสนาทีหนาทีได้ตอนแรกอาจารย์นภุมก็อนไปไหนมาอยู่ที่ไหนมาถึงที่นี่ได้อย่างไรนะก็ขอความเมตตาเนาะแก่พ่อแก่ท่านพ่อตาครับก็คืนทีรากองงานเยอะขึ้น<ช>รูร้รสึกว่า ง, งานรับผิดชอบเยอะขึ้นงานอะไรความเป็นส่วนตัวก็เริ่มลดลงน้อยก็ส่วนมากก็ ผมไม่ค่อยได้ไปจับงานสํา น, นักเรียนเท่าไหร่เคยทําอยู่แต่ก็ <S <S <S แต่ว่ามันยุ่งกับเด็กๆมากก็คนทําแล้วก็ยกให้อยู่แบบเพื่อนอยู่แบบไห น, นผมก็เลยออกมางานประเภทอางานปฏิบัติธรรมมัง่งงานเทศงานสอนนคคอะครับไม่ค่อยขาดครับก็ไปแสดงธรรมที่นี่ไปตามภาษาแล้วก็พยายามคิดว่าทําทยัางไงก็ทาเล็กๆน้อยๆในช่วงที่เรามี คงทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับก็ทำเท่าที่เราทําได้ก็เห็นท้องถิ่นอีสานยังขาดแคลนการได้ยินได้ฟังบ้างการนำพาอะไรเยอะก็เลยทำหน้าที่บ้างก็เลยรู้สึกงานเยอะเลยจัดข้อประจำทีนึงผมไม่จัดขอแล้วครับผมเกลียดดูแลอผมทําแบบนี้ผมไม่แสดงคทำอย่างเดียวทั้งถ้าตอนผมอยู่บนแนภาษาผมไปลุยตลอดนะครับแทบไม่เคยด้อยู่ วันพระทุกวันหนก็ไปทำหน้าที่บ้านนั้นบ้านนี้เขาวนโมไปกัเยอะออกพรรษาก็ตลอดก็รู้สึกว่าหนีมาไกลๆหน่อยผมว่าพร ะ, พะจะแสดงธรรมต้องเก็บตัวถึงมีพลังถ้าไม่เก็บตัวลุีด่าไม่มีปฏิภาณไม่เลยแต่ถ้ามันยังไม่คงที่นะก็ต้องเก็บพลังแต่ถ้าพลังคงที่แล้วไม่ต้องเก็บ มันมีศัพท์บหนึ่งแทนครับว่าแทนว่าตาที่โสนะกนกดีนคำมี้นะผู้คงที่นะมนแปลว่าแนวผมว่าก็แปลว่าผู้ไม่หวันไไวตัวลุกกระทําทั้งแปด น, นะครับอันนั้นคือตาที่โสนะนั้นคือใบต้องเก็บอันนั้นก็ได้มันมีล็อกอูแต่เป็นชื่ขอของผ้าละกันนะครับใชนตาที่โสนะผมชอบคตาที่โคําหนึ่งแล้วก็นินามาริสะคําหนึ่ง นิร ะ, ะทุโขคาหนึ่งนิกรโขคำตัวนี้บบน เ, นเป็นชื่อของผู้ประวาตาที่สูในมาริสาเนี่ยมันเป็นคำเทวดาทักกันนะครับใช่ผู้นิระทุกผู้มีมิทุกแต่มันเป็นผู้มทุกแบบมัน ย, ยังยังติดกับไอ้กรรมเมองหลายเนี่ยมันไม่เห็นทุกอะมาริสาแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ในานาของนิระทุกผููนิรทุกมันเป็นคาทักที่ ที่เชิญให้พรันกันครับเช่นพามเวลาทักกันก็จะทักว่ า, าผู้เจริญโปผู้หญิงก็โพติซึ่งเป็นคําที่ไพเราะของเขาแบบภคขาวัยใช่แต่ว่าถ้า <c oughs> ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยด้วยความที่อาจจะทอมอยู่ทางอีสานนะอดอยากคำทักกันก็อาจจะเป็นแบบว่ากินข้าวไม้ ย, ยังอะไรอย่างเงี้ยครับอาาแสดงว่าเพราะว่ามันต่ำหรือสมัยนี้มักทักกันว่าสบายดีไหม ก็เนื่องเกี่ยวกว่าโรคไัยไข้เจ็บมันเยอะก็เลยต้องถามประมาณนี้ครับอาจารย์แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะถามเรื่องว่าเพราะฉะนั้นสมัยเขาพุทธเจ้าทักกั น, นอะไรครับสมัยเขาพุทธเจ้าทักกันโพนี่ครับพันเตพันเตปพูดเจริญครั บ, บอาวุโสผู้มีอายุผมชอบคำหนึ่งที่พุทธเจ้าทักพระเจาคมรียังอาวุโสคํามรียังพันเตใช่ใช่หรืครับคำมรียงัง ทนได้ไหมท่านขอทนได้ขอรับไม่ใช่สบายดีเราสถาสทธิอยู่เลยสถาสทธิพระบรมเด็ขอให้ท่านปลอดปดไฟระเิดทุกตลอดท่านว่วไก่ไปทางไหนมาถึงไหนมาถงนีได้มันก็อยู่กับระอาจารย์ตอนพษาเก้าก็พาสบมาอยู่พรรษาสี่รรสิบเอก็มาอูนบอรษาก็ลงไปทางใต้เยี่ยมลูกรันเยี่ยม ยินเดียพี่น้องพี่เยี่ยมหลายปีใช่ไครับไปยุทธภียังสาวอย่างแล้ววิจาภาษาทางใต้ยหรือเปล่ายังาใต้ไมไมภาษาสพี่ภาม่พี่กายจภาษาที่พี่กายอยู่เจจัดวรวิร์วรธรมโมที่วัดเพชรเผาเพชรบุรีพี่สิชอบที่ไหนมากที่ส กผมจำทีนีเป็นปีพษาที่สารษาที่พแรกษอมันจะมาจนีโทมาถามเขาว่าจ้งกรสินดู่รอเขาบอกว่าาจงกระสินไประยองผมก็เลยย้ายไปอยู่จงวรวิทย์อไปอยู่ชวิทย์ยังอยู่ที่เดิมนะอยู่ไทยรูปเดียวท่านอยู่กันตอนนั้นก็ผมอยู่รูปไมปัจจุบันปัจจุบันไม่ทาหตอนนี้เด็กตอนนี้ก่อนจะเข้าพรรษาเขาบอกว่ามีสี่รูปตอนนี้ โดยทั้งครย่างฮาลุนเช่นวินปีนี้ไปนแนมาเชข็นกลับมาปีนี้ออกไปสองทีก็เลยได้กลับมาเขจะสมองซสำนักดีทา่านเอให้ไท่มาเอให้ไก่ที่ผมอยู่บดตําแนแรกคยู่นั่นสี่ปี้ีพระเรยนขาก็สึกหมดคิดว่าได้วัตถุพ ร, พรพามนะครับ ก็มีภาพเจ้าของบ้านเขาน่ะอยู่ อ, องค์หนึง่งก็อยู่รักษาอยู่ว่าเฉยๆถ้าไม่อยู่เขาจะตัหานเขาจะมายึดพื้นที่มันแบบป่าของจันดงศิลนี่เปล่าก็มันคล้ายๆกันแต่ว่าต้นไม้ตจนนั้นมันจะโล่งโผสูงใหญ่แต่ว่ามันทางราชการมันเป็นเอาเป็นป่าป่าสมุนงวรแห่งชาติอเมันไม่เป็นป่าชุมชนแต่พอมาขึ้นเป็นป่าสูงธร่งชาติมันก็มีขิด กว้างนิดเดียวะเจ็ดสิไร่แอ่นี้ฝ่ายสมุนไพรไงแค่่าชุมชนทหาเขาเข้ามาคุมเลยเมาแบ่งเขตให้พระให้นั่นเอามมาแบ่งเขตยังให้พระท่าบนถนนไปบุงเขียนถนนมึงเข่งเหนียมากเลมันใหญ่ลำต้นพระยู่งเี้เลยถ้าพระหมดถ้าพระไปก็คือต้นไม้ก็คือกะญชายยออกขนาดทาอยู่มันยังมาตัดเลยแดงไม่อะไรแต่ก็ยูเป็นต้นโตแข็งต้นขาน ลบหายไปไหนมาไม่ได้เห็นนานนะาจำ ท, <ง> ท, ที่ไหนบ้างที่วัดเพชบุญมีวัดทาภาคปฏิบัติเรีกวัดบ้านแล้วภาคปฏิบัติแบบแบบไห น, น, น อข้ตรงนี้นรัาก่อนว่างันเอแอะส่ก็อยู่ได้ใส่ก็อยู่พี่แฝแสงเทียนอยู่นานแล้วก็เบื่อว่างันเอยันหินยันเออยันทั้งหมดนมอนครับไปท่องเที่ยวถึงไหนมาได้ปสุกอะไรกันมาไม่ไมีอะไรมากก็อยู่ที่นี่มาสีพรรษาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งถึงห้าสี่ครับ ก็เราไปอยอู่ไปเรียนเรียนอะไรเรียนวิไนพัตตะบิดกที่วัดเขาสนามชายสองปี<อ>แล้วก็ไปเรียนพัตตะบิดกพ ว, วิไนที่ที่วัดดอนทันไหที่อุบลสองปีเป็นสี่ป<อ>ีแล้วก็ไปอยู่ที่ปทุมปีหนึ่งห้าปีปทุมก็เป็นศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาประเทศไทยอินราดหลวงแก้วแล้วก็มาแล้วก็กลับมานี่แหละ<อ>คือออกไปห้าปีแล้วก็กลับมานี้คือเรียนวิไนามาหายห่วงเลยเยังไม่หาย ยังยังไปเรียนไม่ยยังไม่จบอไหนไปเรียนหอ่านไปไหนหายไปคนเคมาถึงที่นี่พงเป็นไงมึงย่อมทุได้จัพอหรือยังประชบการพันศาเท่าไหร่ี้นี้าเท่าไหร่นาเจ็าจเท่ากับท่านี่ตั้งเนาะตั้งคำาเจงกันแล้วเป็นไงบ้างคนลุงตากี่ภาษาอลุงตา ปัญาหครับแต่ตอนปาสี่ไปอยู่บหลวง่องเขียน ท, ท, ท่านปว ค, ครับยาาแต่นองนั้นก็อยู่บหลวงต า, งาตลอแล้ว เ, เป็นไงบงสว ข, ขท่านดีไงตงครับออตอนหลังผมก็ได้ยินว่าท่านที่ท่านผมล้มแล้วหัวเข่าเอ็นข้อเขาขาดนะครับข้างขวาเอ็นสเส้นก็ขาดไปสามเส้นแล้วก็ท่านก็ไมด้รท่านโยมนิมนต์ให้ท่านขาตัดตอนหลังไม่ได้ผ่า อม่หายานยมันเจ็บนานๆเนี่ยร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่มาเสริมมันมันก็เริ่มเสื่อมเพราะมันไม่ได้สมดุลตอนหลังท่านก็เริ่มมีปัญหาอีกท่านแล้วก็เข้าใจว่าปัญหาหลังท่านมีปัญหากระดูกทับเส้ น, นหรือเรื่องครับสาเหตุส่วนหนึ่งท่านทํางานหนักนะก็ช่วงหลังท่านก็ทํางานน้อยลงเยอะแต่ว่าก็ถือว่าหนักตลอดคน<ต>เอ็นเหลือเส้นดียวแต่ที่ผ่านมาที่ที่ผ่านมาสมัยท่านแข็งแรงอย่างนี้ ท่านอยู่ที่นี่นะทำงานหนักสุขภาพโดยรวมผมก็รู้สึกว่าท่านช่วงหงกมีคนดูแลท่านเยอะขึ้นท่านก็ยอมให้ดูแลเยอะขึ้นในเชิงในเชิงระบบิบบ้าท่านยอมตแรกคงไม่เป็นหนักก็ไนะแต่ว่าช่วงลนี้ก็ได้ยินว่ายมิน่ต้องควรจะผ่าตัดก็อยอมก็อยอมผ่าท่านก็ยังยังดูดูอยู่เงินคอะายยาก ว่าคุณเจ้าน in right. ี่เพระใหม่หรือพระอันนี้พระยุทธพระยุทธเจ้ท่านพระยุทธไมะเลยแต่วชยันต์กาภาษาห้าแล้วนะครับก็เคยอยู่ภาษาแรกก็จำอยู่กับหลวงตาที่โซมนัศครับแล้วก็ภาษาสองก็กับไปที่บ้านไปจำพรรษาอยู่กับพ่อแม่ภาษาหนึ่งประเด็นการที่ให้เข้ามาบวช ตรงนี้ก็คือตั้งใจที่จะมาทำภาวนาในห้ก็ น, นึ่งด้วยจากที่เคยบวชเป็นสามเณรแล้วเคยฝึกกับอาจารย์สงรามบ้างอาจารย์สุริยาบ้างก็าการมรรคชาคือมาศึกษ า, าดูเฉพาะครับเคยเจออาจารย์อาคมมครับ เเข้ามาใหม่ใช่มคัเเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ทุกิทธอาจารย์สครสมัยแรกๆสมัยเป็นเนหนึ<า>่งอ่ะไปไปน้องไทยมสมัยเขาเป็นนนดูพวกเขาลน่ารักน่าชังอย่าตายตัวเล็กๆนักกนักเกาษาภษาสามก็อยู่ที่ทัพมิ่งกันพ้อก็คือไปผมก็เคยเจอเคยเจออยู่ครับอ๋อพ่อผ่านในในวงการนี้มาตลอดเนาะผมในรูปร้างรัพมิ่งกัครับ ผมไปปักไอ้ดินพังน่ะตอนเป็นเนียนอ๋อเรื่องนู้นเ่ะเนาะรุ่นนู้นนะรุ่นมไปปลูกต้นต้นไม้แทนต้นไม้แทนต้อแต่สก็อยู่ที่วัดโมกวโมกอ๋ออยู่ที่วัดโมกด้วยก็โชคดีนะเวียนเวนอยู่ในวงการนี้ตลอดนะสารนี้มาที่นี่เป็นสารหน้าไปวัดดอยก็นแล้วกันไจบที่วัดดอยนั่นเป็นข้าใหม่กี่ลูกก็ข้าใหม่สองลูปเนาะนั่นก็คุ้นๆหน้ากัน ดีเนี่ยยังสามารถประค อ, องตัวกลับมาพบหน้ากันอีกได้โชคดีเหมือนกั บ, กบพี่น้องของเราศรึกษาร่วมกันเรากระจายไปหาประสบการณ์ลกลับมาพบกันใหม่เมื่อพบแล้วปีนี้ผมก็มีงานให้ศึกษาทําีกตอ น, นีช่วงหลังนี่เนื่องจากผมทํางานมันอยู่ในกลุ่มของชาวบ้านด้วยเนาะชาวบ้านโดยก็เกี่ยวข้องไอ้คนหลายปากหลายฝ่าย ใน่านาที่ว่าได้ไประสบการณ์มาผมก็ไม่ไม่ทิ้งรองรอยนะครับในเทื่องรอยการปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งโรคปันปวนวุ่นวายวิธการสับสนอะไรข้อเสนอแนะทางทางออกมากขึ้นทางพุทธธรรมผมก็ยิ่งเข้าไปวิเคราะห์เจาะลึกในวิธีการข้อเทียนมากยิ่งขึ้นว่าเปรียบเทียบส่งข้อกันระหว่างพุทธธรรมที่มีอยู่กับหลักการข้เทนตรงไหนมันขาดตรงไหนมัน าตรงไหนก็พยายามแมทพยายามประสานกันดูเพราะว่าเรามาในชีวิตเดียวครับถ้าเราพลาดแล้วก็พลาดเลยมันดูจะได้เกิดได้หรือดับกันตอนไหนเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดในช่วงที่เดินทางจึงไม่ประมาทพยายามเทียบแต่คมเคยตั้งสัจจาอิธานไว้ว่าในเกิดมาใ น, นชาตินี้ขออยูย่ขอไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ใช้ได้แล้วขอเป็นสมาธิจะมีการพลิกผัน เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตางกอให้ตั้งหนึทางสมาธิฐิเพราะทางสมาธิขี่จะนําไปสู่มรรคผลในที่สุดได้เพราะพระองค์ตรัสว่าเนสมาธิฐิสมาธานาสัพพะทุขาปเป็จุ่ไม่รู้พุทธภาษิต ป, ปรากฏที่ไหนจําได้หว่าสมาธิขิ่สมาธาน า, าจะไปดีอย่างไรใช่ไหมสัพพะทุขาเป็นฉุนขดีน ะ, ะนนะแต่ว่าผมก็แปลกแกว่าทําไมไม่แค่ตัดองค์ สมายานสมาวิมุตติสมาสมาธิแต่แตสมาธิที่องค์เดียวว่าผู้ใดสละทานสมาธิแล้วจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้ผมก็เลยว่าโอ้สมาธิที่มันเหมือนหัวขบวนรถด่วนรถไฟนี่หมายความอีกโบกี้หลังเนี่ยมันจะมีกี่ขบวนก็ตามถ้ามนหัวขบวนไปทางไหนนก็ไปทางไปหมดสมาธิที่ที่หัวขบวนรถไฟแล้วก็นิมิติเ่นหรือนิยามของสมาธิที่ก็อยู่ในอนิสสีใช่ไหม อริสสีนะี่เป็นนิยามเป็ความหมายของคําว่าสมาธิผิดซึ่งทุกนี้ผมก็มาดูว่ามันสําคัญอย่างไรและทําไมต้อเอาตัวอริสสีไปเป็นนิยามของคามมาําว่าสมาธิธิก็หมางว่าการเห็นถูกต้องต้องเห็นความถูกและปัญหาของตัวเองก่อนเป็นที่แรกถ้าเราเห็นคนทุกขและปัญหาตัวเอง จนทะลุผุผงแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นความทุกข์ปัญหาของโลกไปหมดเพราะนึงจากโครงสร้างของโลกมันโครงสร้างอันเดียวกันโครงสร้างเกิดกระดับอยู่แค่นั้นทั้งจักรวาลมันโครงสร้างหลักแกนอนเดียวกันคือเกิดกระดับเพื่อจะได้เห็นทุกเกิดดับในในตัวเองแล้วมันก็จะเห็นโครงสร้างอย่างอื่นหมดแม้ที่เป็นวัตถุที่มีมีวิญญาณของนะแต่มันอาจะชาจะเร็วกว่ากันเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเองผงก็ อาจารย์ภษาเนี่ยคงฝากเพืนๆนะสแสวงหาทั้งหลายว่าลองศึกษาเรื่องสัมมาทิฏฐิให้ดีเนะี่ยแล้วก็เราก็พยายามมาพบกันแต่ละครั้งก็คุณสลับเปลี่ยนกันเหมือนกับอรย์ภาษาคนก่อนนเปลี่ยนไปทางนู้นบางทีงนี้บางเพื่อจะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนกันก็ในแต่ละครั้งที่เราพบกันก็อยากให้แต่ละท่านานำประสบการณ์เรื่องของสัมมาทิฏฐิในประสบการณ์ของตัวเอง กันัมากน้ยตามเวลาที่เรามีกันเถอะหลังจากปฏิมุกแล้วเพราะอยากแต่ปัจจุบันนี้มั น, มนทิฏฐิในลูกมันเยอะในสมัยขัมพุทธเจ้าในาในสูตรที่พระพุทมัชฌาลาสูตรใสูตรที่ยาวทีคณิกายนะพระมชาาัชฌาพว่าเรื่องทิฏฐิเรื่องที่หกเนาะทิฐิหในมันมาตั้งแต่นู่นมา ว่าคนนี้มันมีปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องทิิทแต่พระเจ้าก็ไม่ได้รับปฏิเสธว่าแต่สิ่งที่ท่านนาเสนอคือสมาทิฏฐิเป็นทางออกของทิฏฐ ท, ท, ทั้งหมดนะนี่เราก็เลยว่าน่าจะต้องช่วยกันเจาะลึกเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับที่มันเป็นประโยชน์ของ เ, เองไม่ใชมุ่งเพื่อจะไปนําสอนคนอื่นแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยเรื่องคนอื่นมันเข้าใจถูกต้องไปเองก็อยากจะนําเสนอเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ เพื่อเป็นประโยชน์ของคนใหม่ด้วยแล้วคนเก่าที่มีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราก็จะได้ช่วยกันปรับแลกเปลี่ยนกันเพราเมีนคือไม่ว่าจะบทมานานอายุพรรษาเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างที่พุทธธรรมมีอย่างลึกนิดเดียวนะแต่ถ้าด้วยสติปัญญาของพวกเราทุกคนมาผสมกันมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าเราจะไปในทิศทางเดียวกันได้ผมเคยเปรียบกับการใช้สมัยก่อนมันปอดลึกเนาะใช้น้ําตักใช้ สายยาวถ้าบอ่อลึก10เมตรเนะี่ยถ้าแต่ละคนนะมีเชือกไม่ถึง10เมตรเนะีคนละห้เมตร7เมตร2เมตร3เมตรต่างๆถ้าต่างคนต่างยืนยัดในในความยาวของเชือกตัวเองเนะี่ยต่คนต่างจะไม่ได้กินน้ำเลยเพราะมันไม่ถึงสิเมตรสักคนหนึ่งต่ทุกคนลงความเห็นกันท่านมี5เมตรผม m, ม, มีสองเมตรผมี3เมตรมารวมกันเหลือเฟือเลยทุกคนได้กินน้ำเหมือนกันตักขึ้นมาได้กินน้ำเหมือนกันทุกคนเพราะนั้นเราในระบบของการแบ่งปัน ในการใช้ประสบการณ์และสติปัญญาแต่สติปัญญานี้สติปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์เป็นหลักนครับเพราะสติปัญญามันมีหลายหลายกลุ่มหลายข้อแต่ประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์สมารถทิทิถ้าเราเอามาแชร์มาแบบ่งปันมาคุยกันพี่รู้2น้องรุ่นหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับในหมู่คณะเรามากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ไปจะอยู่ด้วยกันทุกปีบางปีเท่านั้นเพื่อมาเจอกันโอกาสเจออย่างนีกเารเรื่องอ้มาคุยกัน เราจากไปเพราะสิ่เหล่านี้อาจจะติดผู้ที่เป็นวุโสมีประสบการณ์มากมากก็แบ่งฟันให้ผู้อาวุโสน้อยผู้อาุโสน้อยซึ่งอาจจะประสบการณ์ทางโน้นอาจจะน้อยแต่ประสบการณ์ทางโลกมีมากก็จะได้ทอยสมุมมองสมาธิแบบทางทางโลกให้เราฟังอย่างนี้มันก็ทําให้สมาธิของเราทั้งฝ่ายที่เป็นโลกี้ะฝ่ายที่เป็นโลกุตละเพราะสมาธิมันคือสองมิตินะมิตีที่สมาธิแบบสมมติ สมาธิที่แบบประมัดซึ่งพวกที่ผ่านทัโลกมาเยอะอาจจะรู้จักสมาธิแบบสมมติเยอะและผู้ที่ผ่านทางด้านการฝึกฝนมามากก็จะมีสมาธิที่แบบประมัดมากเราก็ส่องอ่านเ้มาแล้เปลี่ยนกันลงดูแล้วหาตัวกลางที่จะเอาไปใช้ได้มันคืออะไรนะแล้วก็จะดูแลรักษาซึ่งกันและกันได้ เพื่อน้เห็นว่าเรื่องปัจจุบันเนี่ยเรามีหลายสนากหลายอาจารย์หลายวิธีการหลายทิฐิหลา ย, ลายนิกายซึ่งยันกันไปยันกันมาในที่สุดเป็นเรื่องปัญหาระดับการบ้านการมุงและในที่สุดโลกมันจะไปสงครามเพราะศาสนาพลึงทิฏฐิเนี่ยครับอันนั้นเองผมก็ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันถ้าเรายืนหยัดในห ล, ลักสมาธิที่ชื่ต้องของพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านว่าไว้อย่างไรแล้วก็ ดึงหลักฐานจากที่ต่างโดยเฉพาะทานาคมมา ก, ก็จะมีโลกวิญญาณจบกี่โลก <c oughs> ก็จะสามารถดึงอาุณัุ น, นี่มาใช่ไหมหลักฐานมายิงหยั อ, อตรงนี้นะ<ค>นยเนยี่ยรบกันในโลกเนี่ยมันลบด้ยกันสองอย่าง1 <c oughs> ลบด้วยตัญหาแย่งทรัพยากรกันครับ2 <c oughs> กับลบกันด้วยทิฏฐิว่าคนนั้นน่ยเป็นคนมีความเห็นผิดเราจะไปแก้เขาอันนี้โดย โดยวิธีการนะครับแต่ว่าที่ตายมากที่สุดคือโรคการดวยทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิร่ายแรงกว่าตันหานะครับก็คิวนี่สตัวตันหามนติธิเลยครับสามตัวนี้ที่ที่มันจะมีูุพันธ์กันมาสามตัวคือให้ทําให้โรคความคิดเห็นวิปริวิปลาดไปที่สมหลักคือตันหามนติฐิสามตัวแต่มน่ากับทิฏฐิมันกตระกูลเดียวกันนะผมก็ดูว่าเอ๊มนติธิมันตันหามนติฐิมันพัฒนามาจากไหน พัฒนามาจากกิเลสอย่างยากราคาพัฒนามาเป็นตัณหาโทสะพัฒนามาเป็น ม, มานะโมหะพัฒนามาเป็นทิฐิเพราะฉะนั้นการหามานะทิฐิเป็นกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบก็คือราคาโทสะโมหะพอลึกลงไปกว่านั้นเป็นตัวกามาสวะก็พัฒนาไปจากตัณหาเพราะว่ะสวะพัฒนาไปจากมานะแล้วก็อวิชชาสวะพัฒนาไปจากทิฐิมันจะไปตุ้นทุ่งไปเนี่ยมันขบวนการเดียวกันมันย่อยย่อยย่ ละเอียดลงไปทั้งนั้นเองมันจริงจมันชื่อเดียวกันนะครับอาจารย์ก็ชื่อเดียวกันแต่มันรายละเอียดมันต่างเพียงแต่เรียกให้ต่างกันเฉยเช่นตันหาอุปทานกามาสวะชื่อเดียวกันครับครับชื่อเดียวกันแต่รายละเอียดต่างกันสมมุติว่าผมก็สืบทอดสืบความดูว่าไอ้ตันหามันพัฒนามาจากอะไรก่อนที่มาเป็นตันหาเนี่ยก็สืบสืบสืบพัฒนาเขาบอกว่าอันนี้จังทุกขังนักกาเป็นต้นตอ แต่ว่าอะไรเป็นต้นดอกของนิจัคพวกนั้นอ๋อคือการเกิดดับเพราะการเกิดดับเราไม่รู้ท้าทันเกิดดับพัฒนา ม, มาเป็นตจลักรู้ไม่าทาทันใจลักพัฒนา ม, มาเป็นเวทนากายทั้ง3ามเวทนาจิตทั้ง3ามกำหนดไปทนันเวทนาทั้งสามกลเป็นตัวอภิชาโทมนัสนะแล้วก็พัฒนานี่ไปทันเปลี่ยนมาเป็นตัวราคาโทาสังดำแบบนําคมุดเรื่อยๆจนไปถึงอสวะจากยา เมื่อลากไม้อะนะลงไปเรืๆๆๆ่อยๆๆๆจนลากฝอยจนเป็นเสวะเพราะฉะนั้นมันมันก็ไปต้นทางเดียวกันแต่ว่ามันขยายตัวลงไปเรื่อยๆจากใหญ่ที่สุดแก้วลงไปลึกที่สุดเพ so e ราะฉะนันเสวะ ถ, ถึงตัวลึกสุดไม่ว่าเป็นตัวเดียวก็ได้นคนละตัวก็ได้ตัวเดียวกันมันไปจากรากเดียวกันแต่คนละตัวมนคนละส่วนเท่านั้นเองแต่ไปจากรากรุดเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดที่เร า, เาได้จริงๆ<า>แสดงความเห็นนะ กจริงลากในพระศาสนารากของบาปอกุศลเนี่ยเขาแสดงไว้ชัดแล้วครับว่ารากมี3ลากก็คือโลภมูลโทสะมูลแล้วก็โมโหะซ <c oughs> ึ่งเป็นลากส่วนกิ่งก้านสาขาไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิมานะอ ะ, อะไรเนี่ยมันก็ออกแกกลาก3ามเนี่ยครับ <c oughs> ก็คือโมหะนึ่งแล้วก็โลภหนึ่งโทสะหนึ่งตัวลากมันมันลากไม่อยู่แค่นี้ครับไม่ <c oughs> <laughs> มันดูมันหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมจะล็อกม้มดทำให้ว่ารากของบาปอกุศลทั้งหลายารากของทุจดิกุทั้งหลายมาจากโลภะโกษาโมหะสามรากครับมีมีมีกิเลส3ามตัวเท่านั้นที่เรียกว่ารากครับกิเลสตัวอื่นไม่เรียกว่ารากเพราะไม่แน่นที่เรียกว่ารากเพราะว่ามันฝังแน่นถ้าเป็นกิเลสอาจจะเหมือนสาหลายลอยไปลอยมาที่ไม่มีราก ปลิวไปไปลิวมาแต่ว่าสิ่งที่เป็นรากจริงๆมีสาตัวนะครับจะไม่ใช่หลักไปหลักมามีสามรากไม่ใช่มไอ้ น, นั่นมันรากหมายถึงว่ามันมันสามารถอย่างมัจฉริยะอย่างเงี้ยครับไม่จัดเป็นอ่าอ่าไม่จัดเป็นรากของบาปอคุศลแต่เป็นตัวอกุศลนะครับแต่ไม่ไม่ละไม่ใช่ละจะพัฒนาปนจากโลภะใช่แล้วพัฒนาจากโลภะโทสะและโมหะสามตัว ย่งทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทัพัฒนาไปจากโมหะครับใช่เพราะความไม่รู้ก็เลยไปคิดผิดก็คิดผิดอะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไม่งามว่างามไม่ไป็นตัวตนว่าตัวตนเห็นสิ่งที่ทุกข์วุ่นวุ่เนี้ยครับก็พัฒนามาจากโมหะโมหะเป็นเรื่องของภาษาวันนั้นผมในช่วงเช้าตรงปกติจากทีสไปถึงทีห้เวลาไปคอนผมมจะมี exercise เนาะ อีสไซด์เัตถุดวบในการเป็นสูตรของผมมัน้อมีองงการอีสไซด์เทอร์มอไฟฟูอี e ไซด์การเรียนสติแบบดูแลนักดูแลร่างกายในช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยผมก็เลยเปิดบังเอิญเปิดไปพบคลิปของอ่าจุคุณประยุตสนทนากันระหว่าง3คนที่คุณประยุตในเจิมสัก์แล้วก็อาจารย์อะไรนะที่อยู่โฉมโอาจารย์ผู้หญิงเน อ อ, อ, อ, อยู่เป็นอาจารย์สอนในมหาลัยมา ก, ก่อ น, นอ็นรัคำแหง อ, อินทรัคำแหงอาจารย์เลยนะรันจวนอานะจารย์จวนอินทรัคำแหงสุนทนาเรนสามคนก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้แต่ว่าคนจริงเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าโดยศัพ์วิชาการนี่ครับมาทําให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากเอออันนี้อ่ะคือปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นทางด้านวิชาการถ้าหากว่า ถ้าคุณไม่เข้าถึงสภาวะเมื่อก่อนเอามาพูดภาษานี่มันสับสนแต่ความจริงไปพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่ามั น, มนอ้อมไปอ้อมมามันวนไปวนมาคือการใช้ภาษาเพราะฉะนั้นทางด้านสูงภาษานี่ก็เป็นที่พูดในปัจจุบันที่เราเข้าใจสับสนแต่ความจริงเรื่องเรื่องมันง่ายๆแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีสภาวะเนี่ยไปทําเรื่องยากเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแต่ถ้าคุณสัมกัสภาวะแล้วเนี่ยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอนนันมีส่วนที่สำคัญ น, นั้นเราก็จะมีสองส่วนส่วนด้านปริยัติทฤษฎีหรือทิฐิเรื่องเดียวกันนำมาใช้ภาษาวิทฤษฎีแล้วในส่วนของภาคปฏิบัติก็ถ้าหากว่าเราปฏิบัติที่ถูกต้องมันก็จะสัมผัสสภาวะสภาวะหรือชื่อหนึ่งขอเราปรมัดแต่ในลักษณะของทิฐิทฤษฎีนิคันถาทุละเป็นเรื่องเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มีสภาวะไปก่อนทฤษฎีมันก็จะเเป็น ทิฏฐินี้ก็จะทําให้เกิดเป็นต่างๆขึ้นไปไม่ว่าตระกูลไหนนะจะเป็นสัมมามิจฉาแต่ถ้าหากว่ามีตัวสภาวะหรือประมาภวลองรับเนะี่ยมันจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเสมอแต่ถ้าหากไม่ได้สภาวะลองรับมันก็เสี่ยงที่จะเป็นทิฏฐิอะไรกลับไปกลั บ, ล บ, ลบมาในขั้ น, น, นระมัดระวังในการศึกษาเนะนื่นองในในภาษานี้ไม่รู้เพิ่ใหม่หรือต้องไปเรียนนักธรรมด้วย่าสอกันเองครับผมไปสอนกันเองสอนกนเอง ในทางวัดโดยเราก็ส่วนใหญ่ก็เขาให้สิทธิพิเศษคืออ่านตำราไปไปสอบเขาก็ให้อย่างท่านเอฟนุม่มวัวไปมุ่งมาจมท่องธรรมเอกของเขาเงนนะ <c oughs> นั่นเองเรื่องของทิฏฐิไม่ต้องสำคัญนะผมอยากจะให้ด้วแต่อย่างน้อยที่สุดให้ปฏิบัติถ้าได้สภาวะนะครับคนไหนที่เป็นใหม่เนี่ยมุ่งปฏิบัติเยอะๆแต่เวลาไปลึกษาเรื่องทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไม่ใชะพุทธเจ้าทั้งบอกมันเป็นดงที่หลงก็ไปแล้วมันออกยากมีความคิดถ้าความคิดถ้ามันเป็น ได้ที่ั้งตัวทิฏฐิและเป็นได้ทั้งตัวปัญญาแต่ถ้าไม่มีสภาวะรองรับมันเป็นทิฏฐิจะเป็นสมานลมิจฉาก็าได้แต่ถ้ามีสภาวะรองรับคือปัณณ์ัดรองรับมันมักจะเป็นสัมมาทิฏฐิสมามีสุลิเพราะฉะนั้นก็ความปลอดภัยเราปฏิบัติให้ให้เข้าใจจจับสภาวะอย่างน้อยก็รูปนามให้เป็นด้วยก่นแล้วต่อไปลองคิดความเห็นในสังหรณมันก็จะอยู่ในล็อกในตอนลอกในรอยของรูปนาม นี่เองก็ปัจจุบันนราผมก็เป็นห่วงเรงนี้เป็นห่วงการเข้าใจความเข้าใจถ้าความเข้าใจไม่ถูกน่าจะต้นมันไปของมันเฉลยไตอนแรกมันก็ไปทาท่าดีนะแต่มมันไปถึงสญหนึ่งมันมีทางหลายแยกเนาะแยก4แยกแยกจะไปทแยกไหนดีเพราะนีลักษณะที่มันมีหลายแยกไปทางเงี้าบอกเออถ้ามีกัญชาดมิตพาไปมันไปทางถูกแต่ถ้าไม่มีกัญชมิตเราอาศัย GPS ไม่รู้ช่วงนั้นมันมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าไม่มีเนก็มั่วเหมือนกัน เราตั้งอินเทอร์เน็ตไปด้วยเพราะงนั้นสัญญาณชีวิตไม่มีใช่ไหมมันหลงทางเลยเพราะนั้นคุณเลยตั้งระบบขึ้นมาอย่างคุณอย่าใช้ GPS อย่างเดียวคุณใช้ GPM ด้วยนะอะไรหลวงพ่อ GPM ก็ GPM มองว่าไงวะ่ะก็ต้องขามทางใช้ปากขาวมาว่ามันจะไปทางไหนอันนี้แน่นอนแต่ถ้าหาว่าใช้ GPE แล้วจะปลอดภัยอะไร GPE ก็คือ Experience ต้องมีประสบการณ์เลยหาผู้มีประสบการณ์ในการนำทางใช้ GPE อันั้นเองก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เราศึกษากันเรื่องนี้ บ, บ่อยๆแล่วกถ้ามีโอกาสนะะและเปลี่ยนกันเรื่องสมาธิถือแต่ว่าตามปกติในโอกาสอย่างนี้ภาษาเยอะแล้วก็เข้าเก็บตัวข้อไข่ของมันมันก็จะมีโอกาสได้คขาแชรในเรื่องสภาวะเป็นตัวรองรับก่อนสําหรับที่วัดดอยในภาษานี้ผมก็เลยว่าฉลับกันเพราที่วัดผมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีกิจกรรมโน่นนี่นั่นพอสมควรผมก็เลยให้ ตอนช่วงเก็บอารมณ์พันศานี้ผมยิงเลยมี7ลูกนะให้หลวงตลาลักกับท่านตรองไปก่อนจะเก็บอยู่ให้สวดพรุ่งนี้หลวงตลาลักกับตลาลักท่านตรองกลับมาเจะให้ท่านอู๋นะท่านอู๋กับท่านตั้งไปต่อคิวต่อไปก็ท่านเอฟกับท่านดิวนี้นะแล้วก็แบ่งกันครับผมก็จะไปไปเป็นเพื่อนทุกทุกรอบไปเหมือนกันและในขณะเดียวกันถ้าเป็นไปได้ในช่วงพันษานี้ผมคงจะอาศัยพระเราทั้งนี้ช่วยก็คือ ปีนี้ทางเจ้าคําอำเภอเขาเขาทาโครงการเรงหมู่บ้านศรห้าปีกลายแล้วก็พระมาบดขอผมสิบคนเข้าที่แรกที่ไปช่วยกันเทื่อนี้ก็เป็นโรงเรียนศรีห้ายแล้วแล้วก็มีพ้นวัดดอยมาขอความบุญธรรมแล้วก็อยากให้วัดดอยเราไปอบรมหมดเก้าโรงเรียนวันนั้เปิดตัววันนั้นวันที่สิบเก้าทีาไปวเก้าเรียนมาที่เปิดตัวที่นั้นแล้วอยากให้เราไปอบรมทุกทุกเดือนของเดือนละเดือนละวัน ที่แรกเขาจาะเดือนละสวันผผมไม่มีเวลาผมให้เดือละวันห่งบอนะโอเคเดือนหน้าเดือนสิงหาตรงวันที่22่สิบสิงหาซึ่งก็หลคนได้เข้าโรงเรียนอาจจะมาวัดที่ดอยนีวัดดอย3มโรงเรียนวัดห้วยไร่สมโรงเดือนวัดน้าพุสามโรงเรียนอะไรนี้ซึ่งพระเราเม่อเคยบางทีอาจจะใส่พรเจ้าเราไปไปช่วยบางพวกชาวบ้านนะเนาะเราช่วยตัวเองเดือนน ยีวันเช่วยชาวบ้นสวัรค์หุงให้เป็นไรสำหรับเดือนกันยานึกดูมันจะเป็นวันที่20กันยานาเปือนลมนแล้วก็เดือนกรกฎาก็ไปปิดโปรแกรมเล่นใน4เดือนก็มาอาศัยเพราะทางอำเภอเขาก็มีแต่พระเรียรนะเร้ยงสีครับพระเลี้ยงสีจุหมากราพิยทวยีตแต่สอนไม่ได้สอนเรื่องกรรมฐานไม่ได้เขาก็มาอาศัยการปฏิบัติาวิธีการปฏิบัติของเราไป แถมอขอความบวชทำด้วยนะนู่นนี่นั่นไหน้เขาเรอเฝ้าเรื่องเรื่อ ง, งอานากังวลอะไรต่างก็จะอาศัยแล้วก็เดินสิงหาที่น่าสนใจอย่างก็คือกรมยึดถือสาธารบกกับเขาขอพระเราไปอบรมในวิธีการของพรเทียนเนื่องจากโยมคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในกรมศึกธานเนี่ยเป็นทาหารผู้หญิงมาปฏิบัติของวิธีการก้าวครั้งแล้วทีนี้เขาอยากจะไปอบรมในกรมในยุทธิศานี้ก่อน เขามีชุมทหารมา ส, สองคนคนนึงเป็นพาเนตพิเศษคนนึงเป็นพภนตรีมาเข้าอบรมกับเราสองคอร์เขาก็ตกลงกว่าจะเอากิจการนี้ไปตอนนั้นก็ปรูอยู่ที่คณงสรีนะก็เลยว่าเอ้ะทหารกุนชิกาเขาเอาตัวแทนมาทั้งหมดประมาณ160คนเป็นทหารหญิงสะ50เป็นทหารชายจตอนนั้นก็เป็นผู้ฝึกวัวแล้วก็เกือบ0 0 ก็เลยที่นี่พระเราไม่พอผมก็เลยว่าอาจจ ะ, ะมาเริ่มมารบกวนแล้วรเราไปช่วยในงานนั้นด้วยส่วนจะเป็นใครบ้างนี่แล้วแต่อาจารย์กสินได้จัดไปช่วยวันที่ 18, 19, 20, สิบแปดสิบเก้ายิสิบห้ดือนหน้าครับก็เลยว่าก็ไม่เป็นเพียสร้างจังหวัดเป็นเป็นหลักในส่วนอธิบายส่วนในตากก็คงจ ะ, ะพวกล่กาวบุญคุที่หนทักษะาวผมก็มีมู่ใจสมพงอาจารย์ดวงศิลป์ไปด้วยแล้วก็พระเรา ส่วนนั้นก็คงจะได้ได้ชื่อไปสําหรับนอกนั้นก็เป็นค ร, รูที่เลี้ยงเยาวรที่ผู้ลงทงั้งครุสิติบ้า ง, ล, งลุงอรุณบ้างทางอ่าที่ทางในพวกเราทางเราบ้างทางเชียงใหม่บ้างเพื่อช่วยกันแหง่งนั้นสาคนสีค่คนเพราะในช่วงที่เราไปจัดที่นั่นมนเประบบระเบียบของแบบทหาระนะเนาะเราก็มีทําโรเลแบบชาวบ้านไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็กลุมไปแล้วพี่เลี้ยงดูแลก็คิดว่า เื่องที่เราจะทงสข้อชาวบ้านลชาวโลกมนึกได้ว่าผูกชนะอิทายะก็ชนะสุขายะโลกรรุ ก, กัมปายะที่เป็นอุดมการที่พระเจ้าท่านประกาศและพวกเราจะมาทาหน้าที่จุดนี้อเพื่อประโยชน์ต่ อ, อผู้เชื่และเพื่อเอ็นดูแก่เทวดาและมนุษย์ักษเทวดาและม น, น, นุษย์ก็คือคนดีและคนที่เกงดีเือไม่ดีกอยู่คน ก็อยากจะให้พวเราเรียกทราบว่าเออมีงานข้างหน้าจะทำกันอีกในบางครั้งเพราะในชีวิตประจำวันที่ผ่านไปแต่ละวันก็ไม่ยาให้ประมาทเรื่องปฏิบัติเพราะมันจะไปจะต้องเอาไปใช้กับการทำงานสู่ครอชฉาโรคนี้มากมายนะครับก็ขออนุญาที่เลื่อนเวลาเข้ามาตามที่มีเวลาสองโก็ยางกลับไปเรามีงานทางว่าคือในพรรษาเนี้ยผมมีโอกาสได้ทำนู่นช่อมแสมเสียหนาชนะนอกพรรษาคุณกระบายขอมตลอดนี่ กลับมาเที่นี้ไปยเโรปเดือนหนึ่งอยุโรปเดือนหนึ่งกลับมาผมไปติดหวัดไข้หวัดใหญ่เข้านะครับในช่วงทำงานก็มีอาจารย์อภัยท่านมงคลช่วยอยู่ก็ เ, เ, เลยกลับมาก็มาติดไอเพื่อหายไปไม่นานนี้ครับยาวนั้นก็ยอมรับถึงความแปรปรวนของแต่ผมทำงานอยู่ได้ส่วนหนึ่งก็คือในคอร์สเนี่ยผมจะให้ชั่วโมอองกอลังกายผปพระทุวันช่วงเช้าต้สตีต ตีเคือมาก็มา e อ็กซ์เซโดยวิธีการแบบทั่วไปที่เขใช้ได้ก็มาใช้ก็เป็นการรักษาธาตุขันของเราในการทำงานตลอดถึงร่างกายธาสุขันความคล่องตัวรนะดานสติปัญญาความจำแล้วก็เลือดลมแะไริงตามก็ใช้ได้ดัะนั้นเป็นนะพระนักมราารานี่ก็พร้อมดั้งสองส่วนทั้งรูปทั้งนามกับพี่เข้มแข็งน้าที่เข้มแข็ง โลกเขพัฒนาเไป็นไงเขา ด, ดูเขาที่อเอามาพัฒนาตัวเองให้เอื่อประโยชน์ของเขาได้แต่จากโรกของเรานี่ก็คือเขาก็คงอยู่ดูถูกผู้ทธศาสนาลงไปและเสนอช่วยอะไรก็ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกขา่าวล่าสุดอยากจะถามอาารท่านคนเลือกข่าวว่าไอ้เจดีมันลื่นไหลลงตกแม่น้ําอีราวดีผมเห็นภาพได้ขาวว่าวรู้เว่าท่านไปทาง น, นั้นเป็นประจําไม่ได้ข่าวเลยก็ามาอยู่นี่เลย ผู้เป็นเมื่อวานนี้น่ะที่ฝนตกทิ้วในน้ำท่วมพม่าธรรมดาครับไปเวลาคันดินไหวผมเคยอยู่เจดีพังผมก็เคยอยู่ที่พม่าไหวธรรมดานะครับพม่ากันแต่ถึงกระเทยดีล้มเทดีพังนี่ไม่มีมีครับเจดีพังบ่อยจะตายที่พม่าคันดินเข้าไหวแรงนะครับก็จะบ้านราองนอนต้งตกเตียงนะครับขนาดนั้นเลยเหรบ เราก็แฝกอะแสดงว่าต้องเจ็ดแฝกลิตรเออยู่ไหมมันคือขนาดไหนครับแต่ว่าผมอยู่ที่พม่าผมรู้ว่าผมเพิ่งรู้จักแผ่นดินไหวนั่นแหละครับที่พม่าที่อื่นผมอยู่บ้านเราผมไม่เคยรู้จักหรอกอ้นไว้อย่างนี้เหรอก็แสดงว่าน้ำมันกระชอกกระแชกเลยนะครับอืแสดงว่าถึงเจดีย์องค์ใหญ่ขนาดน้องๆก็เวิดกระกองเลยนะมันตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ํำวิลเวดีเมืองพะโคพะโคแล้วเขา ผงจะรู้ว่ามีมีสัญญาณว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมาก่อนเขาจับอ่าห้องทีวีจับตลอดเวลาเลยนะในช่วงที่มันรื่นไหนมันดูเหมือนจะมีแผ่นดินไหวด้วยมันมัน ค, อคอ่อยๆเลื่อนไปเลยจมไปทั้งเจดีเลยไอ้คนนี่ที่ไปวันนั้นไปสักระเจดีร้องให้ร้องหงุดหงิดลั่นในออกคลิปแต่โอ่โหนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ตัดต่อหรือเหตุการณ์เทียมนีมันเหตุการณ์จริงๆนะเสียงรองมบุมร้องกันตนาดเพราะนัะนข่าวนี่ก็ดักันหม้าโคเป็นเขตแผ่นดินไหวเลย S <S จะมีมีเคลือบ <Leonard> เขาอะระโงเกโโยมาแล้วก็ยอดเจดีมู่ต่อครับที่ที่อยู่หงสวดีหรือพัอโกก็เคยหักยี่ว่าหักหักไล้วครับแต่ทรงของเจดีส่วนใหญ่เนะี่ยอันนีนน้เขาจะใช้ทรงเจดีไออัชวิทยากร้อยอส่วนใหญ่อันนี้ก็คงเห็นรูปแบบชัชวิทากรเลย ผมก็เลยว่ามันคงจะมีอันเป็นไปได้หรือเปล่าขนาดแต่บ้านเขาบ้านเขาแผ่นดินไห้บ่อยครับอาจารย์เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาแรงด้วยนะแนี่ผมก็ผมกรู้นะครับแต่ตกเพียงเลย